Book 2 9เก้าส ok, ิบเอดนิออนุประโยครองลงมาที er med wa, ่ห ja นึ่งบิสเซ็ตเนิงเกอหวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้นค n นเชเดบลีร์เบดม คุณทราบได้อย่างไรวูวทูเดดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นไจฮ็อปเอร์าเตบลิร์เขาต้องมาแน่ฮันคอมเมอร์ฮิลิกแน่หรืออาเดซดิฉันรู้ว่าเขาจะมา เขาโทรมาแน่ฮันริ่งก์ร์สิเกจริงหรือจ k ิงเลยดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมาฉันเชื่ a ว่า a ขาจะโท r มาฉันเช n ่อว่าเขาจะโทรมาฉัน n ชื่อว่าเขาจะ a ทม คุณรู้แน่หรือเวีย u ุดาเมสิเกตดิฉันคิดว่ามันเก่าฉันคิดว่ามันเก่าหัวหน้าของเราดูดีมากเจ้านายอด้านของเรากดูดีมากเจานายของราดูดีมากเจยงีนัด้นไยงมากเจ้งด ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียวฉัน s, <S y n ว่าเขาหล่อมากทีเดียวฉันวเหวันว่าหมีแฟนคาลอมาีวน่าลวนคิด่าเขาหล่อมากทีเดียวนค่า่าดีัคิดอยน่างนันิงๆหรือมาเดีนไิไเด้อย่างมากว่าเขา่มาีแฟวนแล้มีวลอา มันเป็นไป at ้ที่เขาจะมี r นรัก